ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึยเจ็ดสิบอเรื่องของพรามผู้กระด้างเพราะถือตัวสมัยนั้นพรามผู้กระด้างเพราะถือตัวอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพรามนั้นไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพระถือตัวคิดว่าพระสมณะโคดมนี้อันบริสัทธ์แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจะพูดกับเราเราก็จะพูดด้วยถ้าพระสมณะโคดมจะไม่พูดกับเราเราก็จะไม่พูดด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างพระถือตัว จึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปใกล้แล้วจึงยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณะโคโดมย่อมไม่รู้อะไรจึงใคร่จะกลับจากที่นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นจึงตรัสกับพราหมณ์ด้วยคาถาหรือคำกวีว่า ดูก่อนพราหมณ์ความถือตัวมีแก่ใครในโลกนี้ก็ไม่เป็นของดีเลยท่านมาด้วยความต้องการอันใดก็พึงกล่าวความต้องการนั้นเถิดลำดับนั้นพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมรู้จิตของเราจึงมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวณที่นั้นแล้วจุ่มพิษพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปาก เอามือนวดฟันประบาทประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์คือมานะทัทะหมายถึงคู่กระด้างเพราะถือตัวลำดับนั้นที่ประชุมนั้นก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์หนอเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นพรามนี้ไม่เคยไหวมารดาไม่ไหวบิดาไม่ไหวอาจารย์ไม่ไหวพี่ชาย ก็แต่ว่าพรามนี้กลับทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระสมณะโคดมลำดับนั้นพรามนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำความถือตัวในใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใคร พระผู้มีพระภาคได้ทรงภาศิต์พระคาถาตอบว่าควรมีความเคารพในมารดาในมิดาในพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สี่ท่านควรนอบน้อมและบูชายอย่างดีในพระอรหันต์ผู้สงบเย็นผู้ทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้ไม่มีกิเลส ท, ที่ดองสันดานผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยม รามผู้กระด้างเพราะถือตัวก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรเป็นสรณะตลอดชีวิตข้อความจากมานะทัทธสูตรสำหรับคำว่ามานะคือความถือตัวจัดเป็นอนุสัยคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานอย่างหนึ่ง172็17 อย่ากโกรธเมื่อใครติเตียนพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นอาจกล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมหรือติเตียนพระสงฆ์ท่านทั้งหลายไม่พึงผูกอาฆาตขุนใจไม่พอใจในบุคคลเหล่านั้นเพราะถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคืองหรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมหรือติเตียนพระสงฆ์นั้น อันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้นก็จะพึงเป็นของท่านทั้งหลายเองถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคืองหรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมหรือติเตียนพระสงฆ์จะรู้ได้ละหรือว่าคำกล่าวของคนเหล่าอื่นนั้นเป็นคำสุภาษิตคือเป็นคำกล่าวที่ดีหรือเป็นทุพภะภาสิตคือคากล่าวที่ไม่ดี ไม่ทราบพระเจ้าค่ะดูก่อนอิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงชี้แจงคลี่คลายเรื่องที่ไม่เป็นจริงให้เห็นว่าไม่เป็นจริงในข้อที่คนเหล่าอื่นกล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมหรือติเตียนพระสงฆ์ให้เขาเห็นว่าข้อนั้นไม่จริงข้อนั้นไม่แท้ข้อนั้นไม่มีในพวกเราข้อนั้นไม่ปรากฏในพวกเราดังนี้ ข้อความจากพรหมชาลาสูตร173อยดอย่าดีใจตื่นเต้นเมื่อใครชมเชยพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นอาจกล่าวชมเชยเราชมเชยพระธรรมหรือชมเชยพระสงฆ์ท่านทั้งหลายไม่พึงแสดงความชื่นชมโสมนัสหรือความรู้สึกตื่นเต้นในบุคคลเหล่านั้น เพราะาท่านทั้งหลายมีความชื่นชมโสมนัสมีความตื่นเต้นในบุคคลที่กล่าวชมเชยเราชมเชยพระธรรมหรือชมเชยพระสงฆ์อันตรายเพราะเหตุนั้นก็จะพึงเป็นของท่านทั้งหลายเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงรับรองเรื่องที่เป็นจริงให้เห็นว่าเป็นจริงในข้อที่คนอื่นกล่าวชมเชยเราชมเชยพระธรรมหรือชมเชยพระสงฆ์ ให้เขาเห็นว่าข้อนั้นจริงข้อนั้นแท้ข้อนั้นมีในพวกเราข้อนั้นปรากฏในพวกเราดังนี้ข้อความจากรมชาลสูตร